คำตอบไอ้ท่ไเห็นงเป็นไเลยเลยเลยีะนรอบคอร่ไาได้แล้ววคือจ 老套老套很有趣 นไม่ได้ผมดื่มแใทานแล่างคน่อนใจจันะเา้ีรเแค่ดมีกวาสบายใจด้วยดูใจสด้าไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวสใสไก็ามัด้วย่จะกินแล้วรือเปล ก็รวยก็มาาฉันนะไแใจหเวไปดไปสมัยนี้่ดาี่จได้เดี๋ยวเาห่อวยหลก็แลไปใ่่อวยเออ่งันมาแล้วนะูคนนไปวน้ยแต่อนนี้เ้ารที่จะบ 在干干的艰苦。对。 Tunes, er United, ามาด้วยสิมาจิตสัจะเขาเขามาเนี่ยเอม่ินม่ได้าจรรมันนนะไอ้เ่องใจเขาก็มาไดนผนเขาเขามาแล้วทาดีด้วยขณะที่นั่งเงียบเียบจะไม่ได้นที่เกลียดไปไหนเลยนะจ๊ะเนมันลาจริงรงันน uh, uh, ี้เกียดไหนอ้ที่การที่ลียดใช้วลาตาโตหายใจตื้นตันต กรณีแมวเขาเหมือนไม่ดีร่างกายไมดีอยู่นี่กรณีลุงสองคนท่ากมาอแัวย้่าแหงงเอองงนีทองแดงนมเป็นตลาดนารเออกอว่าคนทีบอกว่าคนนีเจ้าีใหม่ เวลาวี้ให้ตัวสีแก่นั่งไว้ต้องแก่ลบไปแล้วเริ่มปนสีทองเรื่อเบางๆาขึ้นมาแล้วให้เอาจริงเขาโบราจริงนะข้าราชกา์อย่างคนเมื่อกี้นีออ้ไว้กันตาเขาได้แล้วท้องมาเนี่ยทางบูชาเขาต่อใจจะหาย 大家都是讲温暖，啊，每这方面有有有有改善，啊，啊<音>，所以说，所以说，觉得觉得，哎，还有大米、花生、玉米、小米、高粱，是不 ไอ้ของอะไรของอะไรยี so paper, els, mm ่ห hmm. ้ออก็ไ oh, ด so <c oughs> ้ยี่ห้อคนัน้เยี่้อคนในข้าวเขายี่ันอยี่ห้มาจบ้านอยู่ในบ้านเสียเราไมเคยยังไงเข้าไปใล้กันก็สองหลังสองหลัง la ley สวนดอกไม้สวยๆสวนสวยแก้วนะที่พระโมคคลลานัไปถามว่าเธอทำบอะไรเจ้าบอกว่าการดูเรื่นางสาขาและไม่เคยทำบุญเล i นางสาวขาทำบุวเพื่อพิจารณาอย่างเดียวคนที่เกิ็นเกดในสวรรค์จะต้องสวยมากวิมาหัวใหญ่มากเห็นไหมไม่ถามหากหนถหลังมีสวนสวยๆแต่พระโมคคัลลาเขาถามตัว่จ้าในลานนี้มีสาวขาอยู่ที่ไหน กบอกว่ามีขาขามีสิบยี่สิบท่านดีมากเป็นมาดีจบใบแอ๊บรวยหน้ารวยหน้าด้าอ้โวนัี่านห้เ่าเราเข้าแล้วตอนน้ยังไม่เข้าตอนนี้ไปแล้วไปนานแล้วตอนนีเท่นท่านได้จ่าอ ไม่ได้รางหไม่ติดมือมากนเป็นโกรนับไม่ได้เลยแม่่าสามนได้ว่าอกกราอะไรก็ไปไยกไร้ด้่รว่าคนต้องมีกลังเ็จช่างสายยกไหวแต่วานมียกได้แรงบุญม่เป็นภาพยกได้นายได้ยกได้สคน ในกองคำมันรู้ว่าน่หัวยันก็ตาตึงนะยิงซุกป็ยนะเอาโดนหัวก็ยังมีนกยูงตออีกแ้ก็หลับตาได้เชื่อมันนี่ละยี่สิบคะแนนเขาแก้ยิงอีกมากหนักมากแล้วข้างเรื่องข้าเชื่อันมีแล้วขาตกมาเวลานี้นะทุกคนหัวแตกหมดขาไมแยกกันหัวคนยังไม่ตีเลยนะใจใจ I k n o n t h t เป็นหมาเป็นหมา嘛มันดูเก๋ตื่นดังไงล่ะอ๋อใจใจใจใจขึ้นมาสดีเลยขึ้นมาสดี คำทรไม่ขอใด้คนต้องทอการใช่ไรถ้าไปแก้นีหมายถึงทจะไม่ดีทุกคนน้าใช่เออเดี๋ยวก่อนอทําคนี่นาจะมาหล่อพ่าใหดีนะนาฬิกาเนี่ยก็ เรี๋นว ja ้ like. <Yeah. S 2> ิตเดียวในของที่เคานะมสงมากเขาเขาคนสงมากเลยเสียก็เป็นของท่้าสงฆ์เป็นไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องรูชาติปรที่ความแบ่งเรื่อนะก็มีสครมรบี่ามารนปมากน้อยาติใางสงคมสงมีสงฆ์สวรรค์เหมือกันไปตรงนี้กันบรการมกัน แ a ่ว่ามีไมค์ให้ตัวอาจารย์คนเวก่ากาที่านาใช่ไห่แน่ๆที่เราผู้ชมที่ามดีาอาารย์ผได้มาที่ตอนนี้ปัจจุบันือว่าจะแนหนตองไปกเพมีอันเพราะว่านิดนึงที่ปฏิทินเร็ปฏิทนเร็วา ไม่ใช่ตัวทองมันเป็ชีต่างเล่นแต่เป็นทองหลวงพี่เลนนานเลยไม่งพี่กลงเข้ามาไปเรนที่บ้านรอใช่ใช่แต่ทองคำก็ดีอยเา็นึงก็ตามไม่ได้หลง่เล่เดียวกันมาก็องน้อก็ทอใช่ตัวหนึ่งก็ทองสองหนึ่ก็ทองสามหนึ่งก็ทองสีหนก็ทอง 是个很大众嘛，后 來, <笑>来，后来后来，再再再，哦。<笑> What is it? We've got